่่องนหลับตาฝันเป็นตุม้มตาเตืนขึ้นมา แล้วก็นำมไลฟังเป็นนิยายปารปามปรากันเจ้าโอ้นี่เนาะสวนว่าทำไมตัวท่านถึงเป็นที่เลิบของทุกๆคนในบ้านเราก็มาติดตามตอนนี้เลยเจ้าสำหรับสาเหตุที่ทำให้ท่านมาหาเสนาบดีเป็นสุดที่เล็บของคนในบ้านมันตั้งแต่เด็กนั้นะ แต่นี่ก็เป็นเพราะท่านเป็นเด็กที่มีความพิเศษอย่างโดดเด่นแตกต่างกว่าเด็กทั่วๆไปคือท่านจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะร้องไห้ไม่โยเยไม่งองแงในเรื่องที่ไม่มีเหตุผล<อ>นี่นะเ <Yeah. S 1> ฉะพาะในเรื่องที่ไม่มีเหตุผลนะ เนืงจากตัวท่านมีความรู้สึกลึกๆอยู่ภายในใจเสมอว่าถ้า น, นํำมายายคุณพ่อกัณแม่ต้องมาคอยเป็นห่วงหรือกังวลในตัวท่านหรือพูด ง, ง่ายๆภาษาบ้านๆว่าท่านสามารถสอนตัวเองได้ตั้งแต่เด็กนั่นเองบางคนสอนตัวเองไม่ได้เลยจ้ะบางคนใครมาสอนก็ไม่ได้เด๋อ สอนตรงก็กรดสอนอ้อมก็หมายโลเรื่องนะบางคนเนาะที่เร่นั้นสอนตัวเองได้อืมนี่เท่าแค่ลงทุนจุติมอท น, นั้นเนาะโดยมีบุญอยู่เบื้องหลังที่ท่านสังสมหมอนล้วตัดช็อตไปเลยเมื่อท่านมหาเสนาบดีเติบใหญ่ขึ้น <c oughs> ด้วยความที่พี่ชายท่านบางคนก็ต้องออกไปทำงานกับคุณพ่อและบางคนก็ต้องออกไปเรียนหนังสือโดยเหตุนี้เองตัวท่านจึงได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนบิ๊กบราเดอร์หรือเป็นพี่ใหญ่ที่แสนดีที่คอยช่วคุณแม่ดูแลน้องๆ อ, อยู่ที่บ้าน นี่ตอนเติบใหญ่เข้ามาหน่อยนะจ๊ะไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่นะ <Yeah. S 1> ขอยช่วยกันมากดูแลน้องๆสี่บ้าน <Yeah. S 1> ซึ่งตัวนั้นก็ตั้งใจทำหน้าที่ดูแลน้องๆด้วยความเต็มอกเต็มใจและก็ภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่พี่ชายที่แสนดีของน้องๆเป็นอย่างมาก <Yeah. S 1> ด้วยความที่ท่านมหาเสนา บ, บดี <laughs> ด้เจอคุณแม่ดูแลน้องๆตั้งแต่เด็กนี้เองจึงทำให้ท่านเป็นคนที่มีอธัธยาศัยของความเป็นผู้ใหญ่สูงอีกทั้งท่านยังมีวิชั่นหรือมีวิสัยทัศน์และความรับผิด ช, ชอบแบบเหนือชั้นกว่าเด็กๆทั่วไปที่อยู่ในวัยเดียวกับเด็กด้วยแต่ถึงแม้ว่าท่านมหาเสนาบดีจะทำหน้าที่เป็นเสมือนบิ๊กบราเดอร์ แล้เป็นพี่ใหญ่ของน้องๆที่บ้านก็าตามแต่ตทันทีที่พี่ๆท่านเดินทางกลับมาถึงบ้านท่านก็จะทำหน้าที่เป็นเลิฟลิบร่าตูหรือเป็นน้องชายที่น่ารัก <Okay. S 1> ในอินโดของพ่กพี่ๆในทันทีคือท่านจะไม่เคยดือ้อหรือถืออภิสิทธิ์เลยว่าตัวท่านเป็นลูกชายคนโปรโดหรือเป็นลูกชายสุดที่เัิของคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมทำไมการมาอาเสนาบดีของพวกเราเรจึงเป็นที่รักของบรรดาพี่น้องทุกๆคนอืนี่เนาะไม่ใช่เพียงเท่านั้นการมาอาเสนาบดียังเป็นเด็กที่มีความ อ, อนร่ำถ่อ ม, อมตนเป็นอย่างมากอีกด้วยแม้ว่าท่านจะเป็นถึงลูกหลานของคุณนางชั้นผู้ใหญ่ก็ตาม แต่ถึงกระ น, นันท่านก็นไม่เคยถือตัวไม่เคยวางกล้ามและไม่เคยอวดเบงกัะเพื่อนเพื่อนเลยหรือแม้แต่กับเหล่าบริวารที่คอยรับใช้ท่านท่านก็ <c oughs> จะให้เกียรติไม่คมเหงไล้ความสนิทสนมเป็นเองกับเหล่าบริวารทุกทุกคนเลยด้วยความที่ท่านมหาเสนาพดีเป็นเอกที่มีความอ่อนน้อมทมตนชนิดจะหาตัวจับได้ยากนี้เอง จึง ท, ทำให้ท่านเป็นที่รักของเราพวกพ้องบริวารเรื่อง mm hmm. หนึบางนคนก็รอบข้างที่อยู่ก็ล้ตัวท่านเป็นอย่างมาก mm hmm. และที่สำคัญเนี่ยท่านมหาเสนาบดียังเป็นเด็กที่มีคุณธรรมในเรื่องของความเคารพที่สูงมากๆเลย mm hmm. เรียกได้ว่าเป็นคุณธรรมประจำใจที่โดดเด่นแบบสุดๆ mm hmm. เรื่องหนึ่งของท่านเลยก็ว่าได้ ส่วนคุณธรรเรื่องความเคารพนี้ไม่ใช่อยู่ว่าใครใครจะเลิศเกิดอยากเปความเคารพอย่างท่านบ้างก็มีได้ในทันทีนั้นไม่ใช่เลยไม่ง่ายเลยเลยจ้ะที่เจงองอสำคัญเรื่องการให้ความเคารพนี่เลยจ้ะเพราะแท้ที่จริงแล้วคุณธรรเรื่องความเคารพนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านมหาเสนาบดี ได้สั่งสมจนกลายเป็นอุปนิ ส, สัยที่ติดตามตัวท่านมาหลายพบหลายชาติแล้วเ<า>นี่ยจะต้องสั่งสมก็มาข้ามชาติาแล้วก็ต้องหลายหลายชาติาไม่ว่าจะเป็นความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะบางคนยังเคารพไม่เป็นเลย<า>ความเคารพในพระธรรมเนี่ยหลายคนก็ทำไม่เป็น<า>ความเคารพในพระสงฆ์ยิ่งจำนวนมากก็ทาไม่เป็น ใช่ไม้ความเคารพในสมาธิคือให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสมาธินี่ก็ไม่เป็นเจนหนึ่นงนั่งสมาธิยังเดินส่งเสียงดังรเร่งนี่นะอะไรอย่างนี้เราเป็นต้นเนาะความเคารพในการศึกษาเนี่ยมันเขาก็ไม่เป็นความเคารพในความไม่ประมาทและความเคารพในการปฏิสันทายเป็นต้น คือให้ความสำคัญต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นด้วยดวงตาและดวงปัญญาที่สร้างสมกรบมาข้ามชาติเดียวนี่นาะข้ามชาติเลยนี่จ้ะแต่ถ้มามาถึงในพุทธนารที่ผ่านมาจันทีที่คุณพ่อแม่ท่านมาหาเสนนาบดีเด็ดได้ท่ายทอดการทํามเรื่องของความเคารพกับท่าน เช่นสอนในตั้งคารับพี่ๆเป็นต้นท่านยังเกิดความเข้าใจในเรื่องความเคารพนี้ขึ้นมาอย่างง่ายๆอีกทั้งท่านยังสามารถที่จะนำมาต่อ ย, ยอดหรือฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อีกด้วยในใจถ้ามีพื้นฐานในตามรเรื่องความเคารพเป็นทุนเดิมติดตัวธาารรมะข้ามภพข้าชาตินั่นเอง นอกเหนอจากนั้นนี่ท่านมหาเสนาบดียังเป็นเด็กที่มีอุปนิสัยที่พิเศษไม่เหมือนใครคือท่านจะเป็นเด็กที่มีความฉลาดและไฝ่เริ่มใฝ่ศึกษาในเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอและถ้าหากท่านสงสยัยหรืออยากรู้ในเรื่องอะไรแล้วท่านก็นจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะ สแสวงหาคำตอบของเรื่องนั้นมาให้ได้ประมาณว่าเมื่อไหรที่มีคำว่า what why เป็นต้นจะเกิดขึ้นในใจถ้า็จะพยายามคลายข้อสงสัยเหล่านั้นให้หมดไปไม่โดยวิธีการใดกบวิธีการหนึ่งต้องทำลายความสงสัยหรือความไม่รู้อันนั้นให้หมดสิ้นไปเลยนี่เนาะไม่รู้ไม่ได้เนี่ยนี่จ้ ท่านต้องเอาให้รู้นะแล้วด้วยความที่ท่านมหาเสนาอดีเป็นคนที่มีอัจฉริยสัยไฝ่รู้ใฝ่ศึกษาในเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอนี่เองเนี่ยจริงทำไมอัจฉรัยสายนิ้กลายเป็นอุปนิสัยที่ติดตัวธรรมาข้ามพบข้ามชาติเขตประชาต้องสั่งสมนี่ไง oh. จนกระทั่งเมื่อมาถึงนพบชาติปัจจุบันนี้เฮ้ย อ, นนองไหนเนาะโดยอุินิษฐานี่เองเนี่ย จึงทําให้ตัวท่านในพบเจ้าปัจจบันเนี่ยชอบสแสวงหาความรู้ต่างๆอยู่เป็นประจำจากนั้นท่านก็นจะนําความรู้หรือข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็ทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแบบชนีดที่ใคยใครบนโลกนี้นี่ก็ทําอย่างท่านได้ยากเหมือนกันเนาะเขเรียกได้ว่าท่านเป็นมหหสูตรที่เปลืองปราที่สุดท่านหนึ่งเลยทีเดียว นี่จะในหมนู่บัณฑิตนักรปราชญ์ผูหูสูดทั้งหลายเนี่ยจะ้ะผู้คงแก่เรียนเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะและที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าข้อมูลที่ท่านศึกษาค้นคว้ามาเนี่ยจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ท่านก็สามารถที่จะย่อยข้อมูลแลนะั้นจนกระทั่งเหลือแต่ส่วนที่เป็นหัวกะทิได้ oh. ส่วนกาบรท่านก็เอาออกไปก่อน oh. นี่เหลือประเภทกะโลกลาก็เอาไปก่อนนี่เหลือแต่หัวกะทิเออเอามาคันค้นแล้วคั้นแล้วฟอแต่คัน่นจากนั้นท่านก็นจะนำข้อมูลส่วนจะเป็นหัวกะทินั้นมาสังสอนลกูกศีลทั้งหลายให้เกิดวิชันหรือวิสัยทัดตามท่านได้แบบง่ายๆชัดไหม <laughs> นี่นะโอ้สุดยอดเลยเนะาะคือ ท่านสา ม, มารถที่จะอธิบายคลี่คลายขยายความได้โดยพิสดาน oh. ตั้งแต่เชา้าถึงกลางคืนได้ oh. นี่นะ oh. <laughs> <laughs> ให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ <laughs> ได้อย่างแจมแจ้งชัดเจนแจมแจ้งชัดไหม oh. ชัดเลยนี oh. <laughs> <laughs> ่น้งอย่างนี้นะ <laughs> อีทั้งท่านยังสามารถที่จะเปรียบเทียบเรื่องราวที่ลึกซึก้งให้ผู้ฟังเห็นภาพพอได้อย่างง่ายๆแบบเป็นฉากต่อฉากหรือช็อตต่ชอช็อตอีกด้วย <Yeah. S 1> อืเอาดินสอกมาโน้ตเลย <Yeah. S 1> เอ้เอนี่นะ <c oughs> หรือพูดง่ายๆคือท่านสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผู้อื่นเกิดความรู้และความเข้าใจได้แบบเหนือชั้น <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะชั้นมีเท่าไหร่ท่านอยู่เหนือกว่าอีก เรดู ด, ดังบกคนที่หงายของที่ความเนี่ยเปิดของที่ปิดอืมคนก็เห็นนะจ๊ะตามประทีปในที่มืดเนี่ยที่ไหนมืดคนมองไม่เห็นก็ไปจุดไฟนี่นะจ๊ะและบอกทางแก่คนหลงทางนั่นเองอ ใ, ใครเดินหลงทางก็บอกให้มาทางนี้เออนี่เนาะนี่จ้าโอชัดไหมชัดเออนี่เนาะ <laughs> โอ้นี่แหละใช่เออเสืบเนื่องจากครอบครงท่านมหาเสนาบดีเป็นตระกูลขา้าราการระดับสูงหรือคุณนางชั้นผู้ใหญ่แต่นั้นครอบครงท่านยะเป็นค้อบครัวที่ป๊อปปูล่ารือเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงและเป็ที่รู้จักกันในระดับต้นๆของแคว้นเลย กานั้นจะเป็นเรื่องไม่แปลกเลยที่บ้านนั้นมักจะมีแขกทุกระดับ <Okay. S 1> ต่างก็แวะเวียนกันมาทำธุระหรือมาพักครั้ง <Okay. S 1> ที่บ้านของครอบครงท่านอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนของคุณพ่อบางเป็นลูกน้องของคุณพ่อบางเป็นนายทหารระดับต่างๆบ้างหรือแม้แต่เพื่อน ของพี่ๆอย่างท่านเสนนาบดีบ้างเป็นต้นและในเวลาที่มีแขกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนายทหารนะจ๊ะมาพักทบ้างท่านเสนนาบดีเนี่ยแขกเหล่านั้นก็มักจะชอบนำาเรื่องราวที่ได้ประสบพบเจอมาหรือวิลกรรมต่างๆที่น่าตื่นเต้นประทับใจ มาพูดมาคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นละทัินะคติกันซึ่งลีลานในการถ่ายทอดเรื่องราวของแขกแต่ละท่านก็มีหลากหลายสไตล์คือตั้งแต่แบบเบิร์ดเบิร์ดสบายสบายจนก็ทําไปถึงขั้นเมาส์แตกแหลกรานอ <laughs> ย่า ง, งดูเดือเพชรมันกนระากระหนังบู หรือหนังแอคชั่นเลยทีเดียวสึ่งในระหว่างที่แขกผู้ใหญ่จะมาพักค้างที่บ้างท่านมหาศรีนาบดีกำลังโมหรือกำลังเมาถึงประสบการณ์ในชีวิตยอยู่นั้นก็จะมีเด็กน้อยหน้าตาเท่ระบิดอยู่คนหนึ่งที่ชอบจะชอบมาดำๆอมองๆแล้วก็มาจุ่มปุ๊ก็จะได้ฟังเรื่องราวสนุกสนุกจากพวกลุงๆอา หรือนันนาทหารหยุดสมอเนี่ยและไม่ว่าลงลงอาอาหรือนั น, นาทหารจะเล่าเรื่องอะไรเด็กน้อยหน้าตาเทาระเบิดคนนี้เพื่อจะตั้งหน้าต่างตาฟังด้วยความรู้สึกที่อลเลิร์และตื่นเต้นไปกับเรื่องราวเหล่านั้นด้วยสมอเสมอยิ่งเด็กน้อยคนนี้ได้ฟังเรื่องราวที่ลงลงอาอาหรือนันนาทหาร เขาคุยจะมากเท่าไหร่แววตาเด็กน้อยคนนี้ก็จะเปล่งประกายใครยิบไรยับวบิว๊บวับเนื้นอในความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อินกับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างสุดๆถึงเด็กน้อยที่ว่านั้นจะเป็นใครเป็นไม่ได้นะจากท่านมหาเสนาบดีในครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กนั่นเองถึงแม้ท่านมหาเสนาบดีเนี่ยจะอายุน้อยที่สุด ในบรรดาพุ้ตินางอยู่ในวงสนทนาก็ตามแต่ด้วยความที่ท่านเป็นเด็กที่ชอบเข้าหาผู้ใหญ่ท่านจึงเป็นเด็กป๊อปหรือ เ, เด็กป๊อปปูล่านะคือเป็นเด็กที่ได้รับความนิยมและขได้รับการยอมรับในวงโมแอนด์เมาว์นี่เนะของลงลงอาและนานาทหารทุกคน แล้วท่านทำตัวน่ารักแล้วก็กลมเกลืนจนแขกผู้ใหญ่ทุกคนให้ความเอนดูแล้วก็ชอบในอัธยาศัยไฟครูไฟเห็นและพวดูดง่ายๆวอยากรู้อยากเห็นแบบช่างซักช่างถามนี่นะและความเฉลียวฉลาดแบบถึงใจของท่านเป็นอย่างมหาวอทยาเนาะและในบรรดาเรื่องราวที่พวกแขกผู้ใหญ่ หรือเรงอาณานารชอบพูดคุยกันก็จะมีอยู่หลายเรื่องที่ท่านมหาเสนาบดีในวัยเด็กชอบฟังมากๆนั่นก็คือเรื่องการไปจนภัยในป่า ย, ยามค่ำคืนเพราะเรื่องทํานองนี้จะมีเรื่องราวที่ชวนี้ตื่นเต้นลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี่ถ้ายังชอบฟังเรื่องราวประเภทโลดผโผนโจนรทะยานการต่อสู้หรือการประจนภายในที่ต่างๆอีกด้วยยิ่งเรื่องราวเหล่านี้เดือดเผ็ดมันมากเท่าไหร่ท่านมหาเสนาบดีในวัยเด็ดก็จะยิ่งชอบมากขึ้นนั้นนี่เนาะแล้วที่สำคัญคือถ้าวันไหนที่แขกผู้ใหญ่เล่าเรื่องที่เกี่ยวกับอิทธิ ป, ปาฏิหาร วิชาอยู่ยงคงกระพันหรือวิชาหนังเนียวฟันไม่เข้ายิงไม่ออกหรือการใช้วิชาลวงข้าศึกบังหูบังตาให้ข้าศึกมองไม่เห็นเป็นต้นทันมาเสนาบดีในวัยเด็กจะเกิดการหูบึงก่อนและเกิดความรู้สึกอลลัเต้ตื่นเต้นและกายความ สนอกสนใจมากเป็นพิเศษเลยยิ่งถ้าลงๆลงอาณาทนนหารคนไหนได้คุยโวโมโออดวิชาให้ฟังว่าไปอารามเรียนวิชาพวกนี้มาจากที่ไหนจากอาจารย์อะไรและจะเอาไปใช้อย่างไรนี่โอก็จะยิ่งทำให้ท่านมหาเสนาบดีในวัเด็กเกิดการเซอร์ไพรส์หัวใจพองโตในเรื่องราวเหล่านั้นแบบสุดๆไปเลยนี่เนาะ ได้เหได้จลยังทาให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องราวอันแสนประทับใจและฝังก็ไปอยู่ในจิตใจของท่านมหาเสนาบดีตั้งแต่วัยเด็กจนท่านเกิดการอินในระดับลึกซึ่งก่อให้เกิดอินสเป a t i เรชันหรือเกิดแรงบันดาลใจตามมาว่าถ้าท่านโตขึ้นท่านจะตั้งลองไปศึกษาวิชาเหล่านี้ให้ได้ โอ้นี่อินกันมานะซึ่งเมื่อศึกษาแล้วท่านก็จะต้องเป็นขั้นเทพ อ, อืมหรือแชมป์แบบแจมคนหนึ่งในยุทธภพนี้ให้ได้นั่นเองและเมว่าท่านมหาเสนาบดีย่าง อ, อสุไว้กระยิ่นคุณพ่องท่านก็ไเด็ส่งท่านไปศึกษาในโรงเรียนที่ดีสุดประจำแคว้นนี่จ้า เล่นกันต๋อว่าตังเป็นนักเรียนดีเด่นระดับแชมป์คนหนึ่งเลยทีเดียวและในความที่ตังยังเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้สูงอีกทั้งยังมีความเคารพเชื่อฟังคําสอนและปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นอย่างดีเสมอมาได้เห็นนี้เองจึงทาให้ครูบาอาจารย์ทุกคนรู้สึกโปรดปรานและกระลิบท่านมาเป็นพิเศษพอดว่าถ้าคะแนน มีเต็มจิบท่านจะได้เกินสิบไปเลยคะแนนคะแนนจิตพิสมัย <c oughs> <c oughs> จิตพิษใสเลือคะแนนพิสว่านนั่น <c oughs> <c oughs> นะดังนั้นจังไม่น่า <c oughs> แปลกใจเลยว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านทั้ทุกคนยังเกิดความรู้สึกว่า มีความรู้อะไรก็อยากจะตายทอดให้ท่านย่างหมดไส้หมดพงเลย oh. หรือแม้แต่กับเพื่อ น, อนในวัยเดียวกันในความที่ท่านเสนาบดีในวัยเด็กมีความเป็นผู้นำทั้งๆไงด้านการเรียนและการเล่นคือเรียนดีกิจกรรมเด่น uh huh. <laughs> อีกทั้งตัวท่านยังมีคุณธรรมซึ่งทำให้ท่านดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ได้แห่นเดียกยังทำให้ตัวท่านเด็กกลายเป็นผู้นำกลุ่มหรือฮิลโลอบลุอปที่ เ, เพื่อนๆจะรักและการยอมรับเป็นอย่างมากเลยว่าธรรมหาเสนาบดีเติบใหญ่จนเป็นไว้สรุ่นที่นมขั้นเทพนมฟอหล่อเฟี้ยวแล้วคุณพ่อองท่านก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ตามหาฝันเลย เระพุทธใง่ายๆว่าเลือกเส้นทางเดินชีวิตของตัวท่านเองโดยคุณ่อท่านก็ได้ให้ท่านเลือกว่าม่อยากจะทํางานเป็นข้าราชการพลเรือนตามแบบอย่างคุณพ่อหรืออยากจะรับราชการเป็นอาหารก็ตามใจนี่นะจ๊ะซึ่งทรรมหาเสนาบดีก็ได้ใช้พิจารณาญย่นนี่เนาะ คิดพินิ์พิจารณาไตรตรองอย่างรอบครอบและทีทวนว่าเส้นทางไหนจะเหมาะสมกับตัวท่านเองมากที่สุดด้วยความที่ตัวท่านมหาเสนาบดีมีความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องราวการต่อสู้และการมรจนภัยแบบดูเดือเผ็ดมันที่ ล, ลงลงอาณาทหารเคยเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็ก นั่นเองเนี่ยจะนะ้จึงทำให้ท่านรู้สึกว่าชีวิตจึงการเป็นทหารที่ต้องออกไปสู้รบและผจนภัยไปตามที่ต่างๆเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถระดับชาติและเป็นสิ่งที่เหมาะกับจริตอัจฉริยะแสงท่านมากกว่าการทำ ง, งานเป็นข้าราชการบลระเลือน เหตเด้ท่านยังได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่และก็บอกกับคุณพ่อของท่านไปว่าท่านเลือกที่จะรับราชการเป็นทหารพฐมมหาเสนาบดีตัดสินใจเช่นนั้นแล้วคุณพ่อของท่านจึงได้ทรงท่านไปเรียนที่โรงเรียนสําหรับฝึกนายทหารหรือโรงเรียนเตรียมทหารซึร่งทําให้ท่านรู้สึกอลอตื่นเต้นแล้วก็ ดีใจแบบสุดๆไปเลยนี่นะจ๊ะนับตั้งแต่วันแรกท่านมาหนาเสนาบดีเข้าไปเป็นเฟรชชี่โอรน้องใหม่นี่นะจ๊ะของโรงเรียนเตรียมทหารท่านก็ตั้งใจฝึกฝนร่ำเรียนวิชาทหารด้วยความขยันหมั่นเพียรกับมมามเม็แล้วก็เอาจริงเอาจังเลยนี่นะจ๊ะ ได้เหตุเองจึงทําให้ท่านสามารถเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างแตกฉานในทุกๆวิชาเกี่ยวกับด้วยความที่ท่านเสนาบดีมีดวงปัญญาและความเฉลียวฉลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่เองจึงทําให้ผลคะแนนการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของท่านพุ่งไปสู่ระดับท็อปของรุ่นเลยเป็นแชมป์ออฟแชมป์เลยทีเดียวนี่แหละจ้า นอกจากท่านมหาเสนาบดีจะมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับแชมป์ทั้งภาคทฤษฎีและภา ค, ป, ภาคปฏิบัติแล้วท่านก็นจัเป็นคนที่ไม่หวงความรู้ด้วยและเป็นคนที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆ อ, อย่างเหลือเฟือด้วยนวะเจไม่ว่าการฝึกจะหนักโหดหรือหินแค่ไหนก็ตามแต่ท่านก็ไม่เคยท่ดทิ้งเพื่อนๆ เ, เลย ท่า น, นจะคอ ย, ยเหลือเพื่อนๆ อ, อยู่เสมอโดยท่านจะคอยให้กําลังใจบ้างท่านจะคอยกําลังใจบ้างแนะนํนาวิธีการฝึกบ้างหรือไม่ก็ส า, าทําแทนในสิ่งที่เพื่อนๆทําไม่ได้บ้างได้เห็นได้ยังทําให้เพื่อนๆมีผลกา ร, กรเรีละการฝึกที่ดีตามท่านไปด้วยอืสุดยอดเลยเนาะ้วยความที่ท่านมหาเสนาบดีเนะี่ย เป็นคนที่เพียบพร้อมไมด้ไอ IQ และ EQ คือเป็นความฉลาดทางอารมณ์หรือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลิศนั่นเองนี่นะจ๊ะจึงทำให้เพื่อนๆนในรุ่นทุกๆคนล้วนรักและนับถือตัวท่านเป็นอย่างมากอีกทั้งทุกคนยังพร้อมจากันยกให้ท่านเป็นลูกพี่ใหญ่หรือเป็นหัวหน้ารุ่นอีกด้วยนี่เนาะ พูดง่ายๆคือถ้ามีการสำรวจโพอรหรือทำประชานิยมภายในกลุ่มเพื่อ น, อนในรุ่น <c oughs> ก็จะพบว่าท่านมหาเสนาบดีจะเป็นคนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากเพื่อนในรุ่นแบบมีมติเป็นเอกอฉันเลยทีเดียวถ้าจะพูดว่าท่านคือซูเปอร์ซาหรือดาวดงเด่นที่เจอจราที่สุดของรุ่นเลยก็ว่าได้ เมืว่าพวกพวกนเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารในรุ่นเดียวกันจะยกให้ท่านมหาเส น, นาปฏิีเป็นลูกพี่ใหญ่หรือเป็นซูปเปอร์ซ่ารประจำรุ่นก็ตามแต่ถึงกระนั้นท่านก็นไม่เคยท ะ, ะนงตัวเลยว่าตัวเองเก่งหรือแน่นเหนือกว่าใครๆครตัข้างท่านกลับเป็นคนอ่านน้อมทมตนแล้วก็มันัศึกษาหาความรู้ใหม่ๆมาอัปเกรดความรู้ ความสา ม, มารถของตัวเองอยู่เสมอเดวปณิสัยที่โดดเด่นของท่านมหาเสนาปดีนี้เองจึงทำให้ท่านกลายเป็นนักเรียนเด็กทหารที่เข้าตากรรมการแล้วไปถูกจับตามองจากบรรดาครูฝึกทั้งหลายนี่แหละจ้ะสำหรับชีวิตของนักศึกษาวิชาทหารนั้นนาจ่าชีวิตในแต่ละวันจะวนเวียนอยู่กับ เขเรื่องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วพยยามว่าจากการเรียนและการฝึกวิชาทหารรานักเรียนเตรียมทหารก็จะมาจับกลุ่มพูดคุยกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับกเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองเคยได้ยินได้ฟังหรือเคยได้ประสบพบเจอมาโดยความที่นักเรียนเตรียมทหารแต่ละคนต่างก็มีพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน เช่นบางคนก็มาจากครอบครัวที่เป็นทหารอยู่แล้วบางคนก็มาจากครอบครัว ข, ข้าราชการปพลเรือนแล้วบางคนก็เป็นลูกพ่อค้าแม่ค้าหรือเครือ่ายพอดีเป็นต้นแต่เหตุนี้เองจึงทำให้นักเรียนเตรยมทหารแต่ละคนต่างก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นหลากหลายแตกต่างกันไปนะจ๊ะถึงแม้ว่าเป็นเพื่อนของท่าน มหาเสนาบดีจะเล่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องโน้นต่างๆนานามากมายขนาดไหนก็ตามแต่เรื่องที่ตำมหาเสนาบดีฟังแล้วรู้สึกสนใจสนุกสนใจและโดนใจเป็นวิเศษเห็นจะเป็นเรื่องราตรีเกี่ยวกับวิชาคำหมั่งเวทเช่นวิชาอยู่ย่องคงกระพันวิชาหนังเหนียวฟันไม่เข้ายิ่งไม่ออก เรือวิชาลวงค้าศึกบังหูบังตาให้ข้าศึกมองไม่เห็นเป็นต้นจะเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องเี่ทมหาเสน่หนาบดีสุดแสนจะประทับใจและฝังก็ไปอยู่ในจีแฉงท่านมาตั้งแต่สมัยที่ท่านได้ยินเรื่อ ง, องราวเหล่านี้จากลุงลงอาอานานานในวัยเด็กนั่นเองดังนั้นในช่วงการฝึกภาคสนาม ที่เรานักเรียนเตรียมทหารต้งเดินทางออกไปฝึกตามเขตชนบทห ร, รือเขตหุ้เมืองชายแดนท่านมหาเสนาบดีและกลุ่มเพื่อนที่สนใจวิชาคำหมังเวท <c oughs> จึงได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มช อ, อกอรช อ, อกอรคำหมังเวทนี่ <c oughs> และกลุ่มเฉพาะกิจคำหมังเวทแบบไม่เป็นทางการขึ้น <c oughs> ชัดไหม จากนั้นทุกคนในกลุ่มก็ได้วางแผนเพื่อปฏิบัติการขั like ้นแอดวานซ์อะไรกันเลยคือหลังจากที่ฝึกปากสนามเสร็จแล้วนี่ทุกท <Yeah. S 1> ุกคนในกลุ่มก็ได้นัดหมายพากันไปหารน้ของเพื่อนในกลุ่มที <Yeah. S 1> ่เป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับวิชาคำหมังเวท oh. เพื่อที่จะขอย ห, หน้าของของเพื่อนคนนี้เนี่ยนะ พาไปสถานที่แห่งหนึ่งซว่าสถานที่แห่งนั้นจะเป็นที่ไหนจะเล็กรับซับซ้อนซอนเงินอย่างไรนี่นะต้องติดตามทุมโลดจ้า